ท่านผู้ชมที่ครพคะเรามีรายการนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์คือรายการสัสนิสสนนาพอเริ่มต้นได้ยินเสียงท่านมาร์คแล้วก็หมายความว่าเมื่อจบช่วนท่านมาร์คจะได้ยินเสียงพระอาจารย์เผบูรณ์อย่างแน่นอนและขณะนี้ทั้นที่ในสายแล้วเราไปเปิดทันที่ถูกปิดด้วยผู้ทศนากับท่านคะ่ะกล่าวประศกาล ค, ค่ะเจริญพานค่ะสําหรับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เนี่ยถ้าหากว่าจะขอพร ที่เป็นคําพระพุทธเจ้าสําหรับพวกเราทุกคนที่จะใช้กันไปตลอดทอาทิตย์จะมีพรใดไหมคะโอ้ผู้ชาพูดงนี้แตนะถึงเรื่องอความปรารถนาเนี่ถ้าเราปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นทรัพย์ ส, สินเงินทองจะเป็นเรื่องของชื่อสิ่งกิจยศหรือว่าจะเป็นความสุขในปัจจุบันในภายภาคหน้าก็แล้วแต่เนี่ยนะ ก็พูดถึงเรื่องของการมีศีลสมาธิปัญญาเพราะน้าจะให้พรในที่ถูกต้องคือว่าเาให้เธอมีศีลให้เธอมีสมาธิให้เธอมีปัญญาเธอมีสิ่งเหล่านี้แล้วนล้วเธอก็จะประสบความสําเร็จจะไปไหนก็ปลอดภัยจะไปไหนก็สบายมีแต่คนเรียกว่ามีคนรับหน้าถือตามีสิ่งต่างๆที่ต้องการหมดนั่นแหละค่ะนะคะมีเป็นพอรอันประเสริฐเลย <c oughs> เรื่องที่ท่าน พูดส่วนใหญ่ในรายการเนี่ยอืมล้วนแล้วแต่รวมกันในพรสามอย่างนี่ไหมคะโอ้แน่นอนอาจารมาไม่เคยพูดเรื่องอื่นนอกจากศีลสมาธิปัญญาเลยตั้งแต่จัด<อ>ามาสามปีกว่าเนะี่ยแหะพูดวนอยู่ในนี้หมดเลยคุณโยมติวออืวเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าท่านทั้งหลายถ้าระลึกและนําไปปฏิบัติในทางศีลสมาธิและปัญญาอยู่เสมอเนี่ยเป็นอันว่าท่านได้ในสิ่งที่กว้างขวางรอบด้านแล้วสิคะใช่ใช่ จริงๆศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยก็คือมรคนั่นเองนะมรมีองคปดเนี่ยถ้าเราจัดรวมเนก็อยู่อยู่ในสามอย่างศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มรมีองแปดนี่คือทั้งหมดของคําสอนผู้เจ้าเลยนะที่ว่ามันมันจะแตกลูกออกไปใช่ไหมอย่างสมาธิติก็แยกเป็น4ี่สมาวาจากก็แยกเป็น4สมาสมาธิแยกเป็นแปดอย่างเงี้ยแลพอแยกลูกแยกลูกออกไปนันมันมีหลายอย่าง แต่เราเรามารวมๆกันนะนับได้แค่แปดอย่างแปดอย่างนี้นับให้กว้างๆมีได้สามอย่างนั่นคือสินสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยแล้ถ้านับนับขออันเดียวก็คือ อ, อยู่ที่จิตของเราอย่างไงได้ขออันเดียวอยู่ที่จิตของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้กลับเรียนถามท่านไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องของจิตมาถึงคราวนี้ อากจให้ท่านพูดละเอียดมากขึ้นได้ไหมคะประครั้งที่แล้วในะท่านพูดถึงว่าจิตของทุกคนมีความเป็นประพัดซอนอยู่ถูกต้องจิตเปนมานมธรรมนามธรรมบางอย่างอธิบายได้เหมือนกันนะคะ อ, อนมามธรรมแบบจิตนี่พอจะอธิบายให้เข้าใจได้ไหมอค อ, อ่ายกตัวอย่างหลอดไฟก็ได้หลอดไฟนะคือถ้าเรามีหลอดไฟอันหนึ่งมันเข่ า, ม, ามันจับเนี่ย เข่ามันจับแล้วก็อาจจะเป็นหลอดไฟสมัยโบราณนะนะที่ที่กระจกข้างในมันถูกเขมาจับแล้วก็ถามว่าไอ้หลอดไฟนี้มันใสอยู่ไหมมันใสอยู่ของมันเดิมว่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเข่ามันจับอยู่หรือว่าเราพูดถึงหลอดไฟปัจจุบันก็ได้แต่ถ้ามีฝุ่นมีอะไรไปจับเนี่ยมันก็ถามว่าเอาแล้วหลอดไฟมันสว่างอย่างนี้จะทํางานได้ไหมในประสิทธิภาพไอ้แสงสว่างมันออกมาเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอะไรมันไปจับอยู่ในตัวอย่างที่2องที่พี่เจ้าเคยยกก็คืออย่างเช่นดวงอาทิตย์อย่างเนี้ย ดวงอาทิตย์ส ว, สว่างเลยเอามีเมฆไปบางมันก็เลยมืดไปแต่ถามว่าดวงอาทิตย์สว่างเหมือนเดิมไหมก็สว่างเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเอาเมฆออกแต่ละหนึ่งเช่นเดียวกันจิตตอนเนี้ของเราทั้งหลายทุกคนเล ย, เนยทั้งที่ฟังอยู่แล้วไม่ได้ฟังอยู่เนี่ยเป็นจิตที่ประพัฒสอนอยู่แล้วเอาแต่ทําไมมันมืดอะทําไมบางทีคิดอะไรไม่ออกมันตึงไปมันแบบบึนบึนอะก็เพราะว่าคุณมีอะไรบังอยู่ไงค่ะแล้วบางอยู่ในที่นี้ก็ไม่มีอะไรนอกไปจากราคะโทสะโมหะ นะไม่มีอะไรนอกไปจากพวกนี้วอนทั้งห้าก็คือตระกูลเดียวกันอะค่ ะ, คะพวกอวิชาอะไรพวกนี้ก็มาด้วยกันอะอถามว่าเราจะไปหาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยได้อย่างไรนะไม่ยากเลยก็คือว่าเวลาที่เราเข้าสมาธิเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นจิตที่เป็นจิตประพัสอนแต่เป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานจิตแบบที่เราเข้าสมาธิได้แบบนิ่งเนียนแน่วแน่ไม่มีอะไรเลยราบคาบสว่างสวยนั่นแะเป็นจิตประสอนละ นะคือเราทําไดนะ้ขอให้มีการฝึกนิดๆหน่อยๆคุณจะสามารถมีประสบการณ์ของจิตประภสอนได้นะปัจจุบันพบนี้ไม่ต้องรอชาติไหนคุณยังไม่เป็นพระอรหันต์คุณก็ทําได้ก่อนนะทีนี้แล้วความที่เป็นพระอรหันต์กับคนธรรมดาที่ได้จิตประภสอนนี่มันต่างกันตรงไหนนะมันต่างกันตรงที่ว่ามันยังกลับกําเริบอยูนะ่การกลับกําเริบของคนธรรมดาที่คุณยังมีกิเลสอยู่ยังมีตัณหาอยู่ยังมีอวิชชาบางอยู่เนี่ยอย่างท้องฟ้าเนี่ยนะ มันสว่างๆอยู่เดี๋ยวมีเมฆมาปุ๊บมันก็บังได้เราจะต้องทํำยังไงนะก็คือว่าทําให้ตัณหาเนี่ยมันหมดไปเลยก็ชื่อว่าเป็นธรรมที่ไม่กลับกําเริบนี่ตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าอากุปปาธรรมธรรมที่ไม่กลับกําเริบทีนี้ว่าพอเวลาเราทําสมาธิแล้วเอ๊ะทำไมพอออกจากสมาธิปุ๊บมันก็ยังบ้าๆบอๆฟุ้งซ่านคิดบ้าเรื่องด่าเขาเขาด่าเราเราก็โกรธน่ะก็เนี่ยมันยังกลับกําเริบอยู่ไง อ่าอืมค่ะเพื่อให้มันกลับกําเริบ ม, มันจะกลับกําเริบอย่างนี้ไปเป็นระยะระยะเลยหรือเปล่าคะท่านเออก็อยู่ที่ความเพียรที่เราใส่ลงไปเออคือหมายความว่าถ้าเรามีการทําเหตุของการที่ทําให้จิตเป็นพระพอนนะเราก็ได้ทีนี้ถ้าเราเหืนห่างจากเหตุตรงนี้นะมันก็กําเริบขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่างั้นคุณต้องมีกะแลนิมิดนะให้คุณเดินอยู่ตามมาร์กนะ เพราะว่าถ้าคุณมีเพื่อนชั่วคุณเดินออกนอกมาร์กเนี่ยมันก็จะดำไปดำไปดำไ ป, ำไปมืดไปมืดไปมืดไปตกเหวไปตกเหวไปใกล้เหวมากึนขึ้นอย่างเงี้ยอืมค่ะถ้าเราเดินอยู่บนทางแห่งมาร์กนะก็ชื่อว่าอันนี้ก็จะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นนะประพัสดสอนมากขึ้นกลับกําเริบน้อยลงนจงกนกระทั่งไม่กลับกำเริบเลยนี่คือจุดที่สูงสุดแห่งการปฏิบัติค่ะอืม เป็นอะไรที่ว่าท่านนังหลานได้ประโยชน์มากเพราะเป็นแง่มุมของการปฏิบัตินะนะคะใช่เพราะฉะนั้นตรงปฏิบตตัติตองเน้นยิงย้ำจริงๆนะคือไม่ใช่ว่าช่วงเวลาที่ฟังรายการเท่านั้นนะเพราะเราอยู่กับท่านผู้ฟังแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านึงแต่ว่าที่เหลือเนี่ยคุณต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับจิตตัวเองหรือจิตคนอื่นเนี่ยตั้ง23ชั่วโมงกับอีก30นาที ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ช่วงเวลาเนี่ยแหละครับประเด็นที่อยากถามท่านค่ะช่วงเวลาที่ที่เหลือที่อื่นเนี่ยคุณต้องทำคุณต้องอยู่ตามมักด้วยอยู่ในมักด้วยคุณต้องมีธรรมะด้วยนะคือถ้าเราจะบอกว่างั้นยีบสมชั่วโมงที่เหลือนี้ฉันเข้าวัดแล้วคันโอ้ยมันจะทำได้แล้วเพราะว่าก็ยังมีหน้าที่การงานอยู่นะะก็จึงต้องอาศัยว่าเราเราทำไปนะในเราขับรถอยู่เรา อ, อยู่ที่ไหนกินข้าวอยู่อยู่ห้องน้ำเราเราทำได้หมดเราแค่ มีสติอยู่ในลมหายใจของเราเนี่ยมันไปกับเราทุกที่เลย<ง>เออมาเคยเคยพูดถึงตรงนี้ที่ว่าเอ้ยถ้าเราจะคอยจ้างจ้าง เ, เปิดเทปธรรมะอย่างเงี้ยเปิดเทปธรรมะเลยอัอดหูอุดหไปเลยไหนเวลาประชุมคุณก็ฟังไม่ได้นะค่ะเอ่อหรือเวลาเข้าห้องน้ำไปบางทีมันก็ไม่สะดวกเอาแต่ให้คุณเปิดเครื่องกระจายเสียงในคุณฟังไปถึงแม้ตอนคุณหลับคุณฟังหูฟังเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามคุณก็ไปในฝันด้วยเหมือนกันนะเสียงเนี่ยนะ เพราะนั้นจึงมีจิตของเราเท่านั้นเองที่จะดูแลจิตของเราได้จึงต้องพึ่งตนพึ่งธรรมแหละตรง น, นี้อื <c oughs> ค่ะเพราะว่าพึ่งตนพึ่งธรรมดีที่สุดปลอดภัยที่สุดใช่สมบูรณ์ที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดอืมเรื่องของการที่จะฝึกจิตเป็นเรื่องที่สมุทรณ์ในชีวิตประ จ, นนจําวันนะครับอาจารย์เยีากมันก็ เผลออยู่ได้ง่ายๆตลอดเวลามีเทคนิคนีค่ค่ะเพราะบางทีเราก็คิดนะอ่านั่งสมาธิเสร็จไมันี่ทํางานเนี่ยจะพยายามเจริญสติอยู่ตลอดเวลาอืเพราะนี้มีเทคนิคมั้ยคะที่จะทําให้เราสามารถเจริญสติได้มากที่สุดในอิรทรียบุทั่วๆไปเวลาทํางานเวลามีกิจค่ะอตมามีอยู่สองสองอย่างที่ตามาตัวตัวเราเองใช้เองอันอัดับแรกเนี่ยก็คือ ตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยเราทําตอนเช้าตอนเย็นสมมุติเราตื่น น, นอนขึ้นมาเนี่ยเราขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงเลยเรานั่งอยู่แล้วเราก็ทําสมาธิไปนั่นคือคือการทําสมาธิอย่างที่เป็นรูปแบบนั่นคือการทําจิตให้เป็นหนึ่งอย่างที่เป็นรูปแบบนันี้ตรงนี้ตอนเช้าตอนเย็นอันหนึ่งแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยมันจะช่วยหนุนให้ตอนกลางวันของเราเนี่ยไม่เป็นคนเผลอสติมากนักนนแล้วในขณะเดียวกันถ้าตอนกลางวันของเราเนี่ยมารู้ระมัยใจอยู่เรื่อยพยายามที่จะเจริญสติอยู่เรื่อยๆ นะอันนี้มันจะช่วยทําให้ไอตอนเชา้าตอนค่ําของเราเนี่ยมันทําได้ดีด้วยซ้ำมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติใช่มันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะเสาร์อาทิตย์เราเพิ่มนะจาก10นาที 20, 20นาทีนะ ต, ตอนธรรมดาเนี่ยเราเพิ่มเป็นสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะอพอเราเป็นอย่างนี้ไอ้เสาร์อาทิตย์ก็จะมาช่วยตอนหัวหัววันกับหัวค่านะระหว่างวันก็จะไปช่วยเสาร์อาทิตย์มันจะเกื้อกูลตรงนี้อันนี้เป็นเทคนิคที่หนึ่ง เนะพราะว่าเพราะว่าบางทีงานมันหนักมากงานมันเยอะมากเนี่ยมันมันแตกมันเผลอสติมันถูกแหวะออกมันจิตถูกถูรูถูกกังไปอย่างเงี้ยนะตรงนี้ต้องอาศัยตอนเชา้าตอนเย็นตอนที่เราอยู่คนเดียวตอ น, นีเราอยู่ก่อนนอนก่อนตื่นอย่างเงี้ยช่วยอันที่2เนี่ยใช้นิมิตที่ตัวตัวเราเองใช้ใช้นิมิตเนี่ยหมายความว่าไงเราอย่างเราเห็นต้นไม้อ ย, อย่างเงี้ยเรานึกถึงพระเจ้าเลยเราเห็นประตูอย่างเงี้ย เราเราเดินข้ามธรณีประตูแค่เนี้ยเรานึกถึงพระเจ้าเลยเพราะฉะนั้นเวลาตัวตัวเราตัวละมาเองนะคุณยมติยว<ข>เราผ่านประตูเข้ามาเนี่ยเราจะคิดถึงพระเจ้าก่อนให้ประตูเนี่ยเป็นนิมิตของพระเจ้าของเรานะให้ต้นไม้ไม่ใช่เฉพาะต้นโพนะเป็นนิมิตของความเป็นพระเจ้าของเราก็้าใจไหมตรงนี้จะช่วยให้ให้อัลมานึกถึงโอ้ความดีพระเจ้ า, าแม้เสี้ยวเดียวเนี่ยวินาทีเดียวตรงนั้นเนี่ยไม่ถึงวินาทีหนึ่งด้วยซ้ํเน่ยเอาแค่นี้เกิดประโยชน์ล่ะ ดีละพอละเนาะเพราะฉะนั้นนีมิตเนี่ยเป็นช่วยได้ซึ่งบางคนเลยทําให้เก็บแบบพวกวัตถุที่ทําให้เตือนตัวเองถึงพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็แล้วแต่นะคือหมายว่าตัวเราใช้สิ่งที่เราเห็นอยู่ทั่ ว, วไปน่ไม่จะเป็นว่าจะต้องใช้พระเครื่องหรือว่าอะไรพูดถึงเรื่องเครื่องรางของขลังคนไทยก็มีศรัทธามา ก, มากๆนะคะใช <c oughs> ่ที่มองแบบนี้ได้ไหมคะว่า มันเหมือนกับว่าพอมีอะไรเป็นวัตถุให้เขายึดเหนี่ยวคนเขาก็มันจับต้องได้แต่ว่าอย่างชนิดที่ว่าคนเคยจับต้องแล้วจับต้องเครื่องรางของขลงังอนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติจิตไปด้วยจะช่วยส่งเสริมกันหรือไม่อย่างไรคะมันอาจจะ <c oughs> ส่งเสริมกันได้ในกรณีที่ว่าเราเราปล่อยวางได้ทีนี้ต้องระวังคือว่ามันอาจจะเป็นการหักล้างกันตรงที่ว่ามันจะไม่เกือ้อกูลกันนะมันจะทําให้อันหนึ่งแย่ลงก็คือถ้าเราไปยึดถือในลักษณะของวัตโโกตูฮีระมงคลนะนะคือการเป็นมงคลตื่นข่าวคือเราคิดว่าสิ่งนี้จะให้เราปฏิบัติได้อย่างมงคลไปจี้ไฟหรือว่าไปทำโงเ่เฮงทำอะไรต่างนี่นะพื่อทีคิดว่าจะปฏิบัติดีขึ้นอันนี้มันไม่เกี่ยวเราคนละเรื่องละ หรืบงคนบอกว่าต้องพกเครื่องอันนี้จะทำให้คุณนั่งสมาธิดีอันนี้ยิ่งวตัตโกโตูหิรามงคลละ <c oughs> อ่าวันนี้มันก็ <c oughs> จ ะ, จ ะ, จ, ะจะต้องระวังตรงส่วนที่ดีก็มีแต่ถ้าสมมติคุณปล่อยวางได้นะคุณนั่งสมาธิปล่อยวางได้ไม่ต้องไปยึดถือพวกนั้นอันนี้ก็กเกื้อกูลกันนะเกื้อกูลกันเกื้อกูลกันแต่ขอให้เข้าใจาให้ถูกใชต่ต้องระวังว่าถ้าจะไปพึ่งเครื่องรางของขลังพึ่งได้ไหมคะ พึ่งได้เพียงใดกันคะเอ่อพึ่งได้เนี่ยคือคือถ้าเราอาศัยให้ระลึกถึงปัจจุบันเจ้านะอันนี้คือเราก็อาศัยตรงนั้นเป็นที่พึ่งนั่นคือพึ่งสิ่งนั้นแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ต้องอาศัยเราก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นทีนี้ถ้าพึ่งไม่ได้นี่คือตรงจุดที่ว่ามันไม่เที่ยงแต่เพราะว่ามันเ ป, นปลี่ยนแปลงได้แตกได้หักได้หายได้นะหายเราก็จีด้ดิ ดังนั้นการที่มีสัมภาระน้อยการที่สันโดษในบริการแห่งชีวิตเนี่ยพระเจ้าสรเสริญตรงนี้ถ้าเราใช้ธรรมะตรงนี้เนี่ยเรามีบริการได้น้อ ย, อ, ยอะไรต่างๆเรามีให้น้อ ย, อยเช่นพักเครื่องเราไม่ต้องมีเราเลือนถึงพระเจ้าได้โดยไม่ต้องมีพวกนี้ได้ไหมนี่เราต้องฝึกตรงนี้ทีนี่ในชีวิตประจํำวันสําหรับทํางานถ้ายกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะคะอาจารอาจจะมีเวลานั่งสมาธิสักห้านาทีก่อนเข้าทํางานหรือ ไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิอย่างเป็นทางการแล้วก็มาเจริญสติเลยชีวิตมันโลกโลภวิ่งถือโน่นนี่ยังมาประกอบกันในระหว่างขับรถรถติดอีกต่างะนะคะอืแล้วก็อจะเจริญสติการที่แค่รู้ว่าขณะนี้ขับรถอยู่ขณะนี้ น, น, นี่แหละยังไงนะคะใช่คือการที่เรารู้อยู่ในสิ่งต่างๆสตินี่คือความระลึกได้ นวความหมายของสติอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณคุณไม่ได้ต้องตามไปนะคุณไม่ได้ต้องวิ่งหนีเหมือนอย่างได้ยามหน้าหน้ า, นาอศูนท ร, รชการอย่างเงี้ยนะเขาไม่ได้ตามคนข้าเขาไม่ได้ตามคนออกแต่เขารู้อยู่เฉยๆอาการที่ไม่ได้ตามไม่ได้หนีเนี่ยคือรู้อยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นสติเนี่ยก็คือการที่เรารู้อยู่เฉยๆรู้ในอะไรรู้ในลมหายใจก็ได้รู้ในอะไร ร, ร, ไไ ร, ะไ ร, รู้ในการเดินก็ได้รู้ในการทํางานได้ไหมได้รู้ในการพูดได้ไหมทําไมจะไม่ได้เน้่สําหรับคนทํางานเนี่ยดูเหมือนกับว่า ที่เราอยากจะพูดถึงการรู้อย่างต่อเนื่องไงคะคือเหมือนกับว่าในเมื่อท่านบอกอย่าทําแล้วก็หยุดนะต้องทําต่อใช่ไหมคะใช่ทีนี้บางคนเนี่ยถ้าไปนึกถึงการทําต่อเป็นรูปแบบของการทําทสมาธิทําไม่ได้แน่นอนใช่แต่ก็เลือกวิธีการทํางานแล้วอยากให้ได้เจริญสติทุกขณะที่อันนี้ต้องบอกตัวเองก่อนอย่างานั้นไหมคะ ว, วัดได้เลยวัดได้เลย คือถ้าเมื่อไหรเราไหลไปตามงานไหลไปตามงานคืออะไรนะคือจิตจัดขึ้นมาโกรธนะหรือว่าลุ่มหลงหรือว่ากลัวหนีในะตรงนี้แสดงว่าจิตเราไม่มีสติออ่าแต่ถ้าจิตเรานิ่งอยู่จิตเราไม่โกรธไม่ลุ่มหลงไม่หนีไม่กลัวนะทําไปจิตคุณตรงนั้นนะ่ะมีสติในการทําตรงนั้นแล้วลมหายใจไม่มีไม่เป็นไรเข้าใจน ะ, ะวัดที่ตรงนี้ ออค่ะงั้นก็เท่ากับว่าท่านกระทํางานของท่านให้เต็มที่ตามความที่ควรทําใช่และในขณะนั้นท่านถือว่ามีสติแล้วใช่อันนี้อันนี้สําคัญมากจริงๆเราเราเราอธิบายตรงนี้กันได้อีกเลยเพราะว่าเป็นรายละเอียดที่ดีมากๆที่คุณโยมติวถามตรงนี้นะอืมค่ะคงต้องเป็นพุ่งนี้มั้งคะถ้าท่านพูดลักษณะนี้ใช่ เราดิฉันคิดว่าท่านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยรุ่เราจะเป็นคนทํางานเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่ท่านไปนบุญจะมาพูดขยายความต่อไปต้องติดตามนะคะในวันพรุ่งนี้วันนี้กราบนมัสการขอบพระคุณท่านมากนะคะเชิญพานท่หวฟังที่ครบค่านี่คือรายการสันสนีสนทนาค่ะแล้วก็มีหนังสือพุทธวจนะแจกในช่วงสุดท้ายนี้กันทุกๆวันวันละสามเล่มเพื่อการเมตตาจากพระอาจารย์พอ่ะขออภัยครับพระคริกริ สดทิพย์พลท่านเจ้าวาดวนาปภ ง, งลำลูกกาคลองสิงทธ่านติดต่อมาที่022690006เบอร์ที่ท่านทิ้งคำถามไว้ก็ได้หรือในส่วนคำถามเท่านั้นนะคะท่านส่งมาที่ feelthana.com/106 ก็ได้วันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะพุท้ทั่วสวัสดีค่ะ